จเจรอนพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งตันวาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาพัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญลุ่งเรือก้าวหน้าการพัฒนาชีวิตจิตใจนี้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงการพัฒนาทางร่างกายทางลาบยศสารเสริญทางความสุข ทางตาหูจหมูกลิ้นกายไม่ได้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงเพราะเป็นการพัฒนาชั่วคราวไม่ถาวรได้าลาบได้ยศได้สรรเสริญได้สุขมามากน้อยเปลียนไรก็ตามแต่ในที่สุดก็ต้องหมดไปเวลาที่ร่างกายนี้ ตายไปแล้วแต่การพัฒนาทางจิตใจนี้จะไม่หมดไปตามการสิ้นสุดของร่างกายเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายและใจผู้ที่ได้รับการพัฒนาก็จะได้ก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับการพัฒนาใจนี้ ก็คือการพัฒนาพบชาตินี้เองพบชาติที่พวกเราเวียน่ายตายเกิดกันมาอย่างโชคช่วมีทั้งพบชาติที่ดีและพบชาติที่ไม่ดีบางพบชาติก็ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรไปตกนรกบางพบชาติก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดา ได้เป็นพรหมได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆการที่<ม>เราได้ไปเป็นภพต่างๆนี้<ม>ก็เกิดจากการกระทํา<ม>ของเราในแต่ละภพแต่ละชาติของการเป็นมนุษย์ของเรานี่เองภพของมนุษย์นี้ เป็นภพที่สร้างภพสร้างชาติส่วนภพของเทวดาของพรหมของเดลชานของเปรตของนรกเป็นที่ไปรับผลของกรรของบุญที่ได้ทำไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอนให้พัฒนาภพชาติ ให้พัฒนาจิตใจก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปพัฒนาทางลาบยศสารเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็แทนที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจควบคู่ไปด้วยกับทําให้พบชาติจิตใจตกต่ำเพราะขณะที่พัฒนาราบยศสารเสริญ พัฒนาความสุขทางตาหูจหมูกเล่นกายก็ไม่คำนึงถึงเรื่องของบุญของบาปขอให้ทำให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาถ้าต้องฆ่าก็ฆ่าถ้าต้องรักทรัพย์ก็ลักทรัพย์ถ้าต้องประพฤติผิดประเวณีก็จะประพฤติผิดประเวณีถ้าต้องโกหออกหลอกรวงก็จะโกหกหลอกรวง ถ้าต้องเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนก็จะเสพสุราเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเพื่อให้ได้ความสุขทางตาหูจะบิกบินกายมเมื่อได้ทำอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะได้เจริญก้าวหน้าทางราบยศสรรเสริญจะเป็นมหาเศรษฐีมีเงินหมื่นล้านแสนล้านจะเป็น นายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีเป็นมหากตริย์มหาจักรพรรดิมีคนยกย่องสรรเสริญอยู่ตลอดเวลามีความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่พบชาจะไม่ได้เจริญก้าวหน้าไปตามราบยศสรรเสริญสุดถ้าทำบาปทำกรรม เพื่อให้ได้เจริญในลาภยศสารเสริญสุขกันภพชายก็จะถดถอยตกต่าจากมนุษย์ก็จะเลื่อนลงไปเป็นเดรัจฉานจากเดรัจฉานก็จะเลื่อนลงไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์น ร, รกตามลำดับตามกำลังของบาปกรรมที่ทำเอาไว้แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงนี้ต้องพัฒนาที่จิตใจเพื่อพบชาติที่ดีขึ้นไปตามลำดับถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศีลห้าไว้ให้ได้ถ้าอยากจะไปเป็นเทวดาก็ต้องทำบุญ ให้ทานรักษาศีลท้าให้ได้ทั้งสองอย่างถ้าอยากจะไปเป็นพรหมก็ต้องทำเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือสมถภาวนาหรือการนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เป็นฌานฌานต่างๆนี่แหละคือขั้นพรหมต่างๆฌานนี่มีอยู่สี่ มีอยู่8ปดขั้นด้วยกันแบ่งเป็นสองส่วนแบ่งเป็นรูปประชานกับอรูปประชานผู้ที่ได้รูปประชานหนึ่งถึงสก็จะได้ไปเป็นรูปประพงค์หนึ่งถึงสขั้นด้วยกันผู้ที่ได้อรูปประชานสี่ก็จะได้อรูประชานนี่คือผลที่จะตามมาถ้าเราทำบุญให้ทานรักษาศีล นั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เป็นฌานขั้นต่างๆได้จิตใจของเราก็จะได้ไปเป็นพรหมขั้นต่างๆถ้านั่งสมาธิไม่ได้ได้แต่ทำบุญให้ทางรักษาศีลก็จะได้ระดับของเทวดาขั้นต่างๆถ้ารักษาศีลได้แต่ไม่ทำบุญไม่ทำทานก็จะได้เป็นมนุษย์ ถ้าไม่รักษาศีลก็จะกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างถ้าทำบาปเพราะความไม่รู้ว่ามีผลตามมาทำเพราะคิดว่าจำเป็นจะต้องทำเช่นต้องทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เพราะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีผลตามมาทำไปเพราะความจำเป็นบีบบังคับก็จะเป็นก็จะไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าการทาร้ายชีวิตผู้อื่นเพื่อให้เป็นอาหารของตนนี้เป็นบาป ท, ที่จะทําให้เขาต้องเป็นเดรัจฉานจิตของผู้ที่ไม่รู้บาปรู้บุญไม่เชื่อบุญเชื่อบา ทำบาปเพราะความเอาตัวรอดเพื่อรักษาชีวิตของตนก็จะเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภอยากได้มากๆทั้งๆ ท, ง ท, งที่มีพอมีพ อ, พอกินแล้วแต่อยากจเจริญใ น, านลาภยศสรรเสริญจเจริญในความสุขมากๆ ม, มีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอถ้าทำบาป เพื่อสิ่งเหล่านี้ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาปเพราะความกลัวกลัวว่าจะถูกผู้อื่นมาทำร้ายตนกลัวว่าจะอดอยากขาดแคลนกลัวว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ไปทำบาปเพื่อให้มารักษาชีวิตของตนไว้อย่างนี้ก็จะไปเป็นเป็นสอสุรกาย หรือเรียกว่าผีแล้วถ้าทำบาปเพราะความอาคาตพยาบาทความเครียดแค้นความโกรธอันนี้ก็จะไปตกนรกนี่คือการทำบาปไม่รักษาศีลก็จะไม่ได้กลับมาเกิดมนุษย์ต้องไปใช้บาปใช้กรรมจนบาปกรรมนี้หมดกำลัง ที่จะดึงชีวิตให้ตกอยู่ในอบายถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีอาภัพวาสนาคือจะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใสไม่มีฐานะการเงินการทองที่ดี อาการไม่ครบ32มีโลกภัยเบียดเบียนอายุสั้นมีสติปัญญาทึบนี่คือผลที่เกิดจากการไม่รักษาศิลผลที่เกิดจากการทำบาปแล้วต้องไปใช้บาปในอบายพอหมดบาปแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่เป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนา อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้มนุษย์เหล่านี้มีหลากหลายด้วยกันมนุษย์ที่ดีก็มีมนุษย์ที่ไม่ดีก็มีมนุษย์ที่ไม่ดีนี้ก็เป็นพวกที่ถูกปล่อยออกมาจากอบายเหมือนกับพวกคนที่ติดคุกติดตารางพอปล่อยออกมาจากคุกตารางก็กลับมาทำผิดกฎหมายใหม่ กลับมาลักทรัพย์ใหม่กลับมาฆ่าผู้อื่นใหม่กลับมาโกหกหลอกลวงใหม่กลับมาประพฤติผิดประเวณีกลับมาเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนใหม่นี่คือลักษณะของมนุษย์ที่ได้กลับมาจากอบายจะเป็นอย่างนี้ส่วนมนุษย์ที่ได้ทำบุญให้ละ ทำบุญให้ทางรักษาศีลได้ไปเกิดเป็นเทวดานั่งสมาธิได้ไปเกิดเป็นพรหหรือได้เจริญปัญญามีดวงตาเห็นธรรมได้ไปเกิดเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเวลากลับเป็นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นคนดีเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมี มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพนร์ผ่ผองใสมีสติปัญญาแหลมคมมีอาการครบ32มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุมีอายุยืนยาวนานมีฐานะการเงินการทองที่ดีมีจิตใจที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลจะชอบทำบุญชอบรักษาศีลชอบฟังเทศฟังธรรม ชอบไหว้พระสวมดมนต์นั่งสมาธิทําใจให้สงบชอบพิจารณาสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขได้อย่างถาวรมีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสุขให้แก่จิตใจได้อย่างถาวร ก็คือการพัฒนาจิตใจด้วยการทำทานด้วยการรักษาสีด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้มีความสุขใจและทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมา พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติมาบุคคลเหล่านี้ท่านทาแต่ทานรักษาศี่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาในทุกภพทุกชาติที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อได้พัฒนาอย่างนี้จิตใจก็จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพาน เมื่อถึงขั้นพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แล้วคือการพัฒนาที่แท้จริงที่ถาวรที่ยั่งยืนที่จะเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงคือภพชาติต่างๆที่จะตามมาภายในอนาคตถ้าเราทำบุญทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอยู่ ทุกภพทุกชาติเราจะขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆอย่างแน่นอนเพราะนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันมาและได้รับผลกันมาแล้วจึงได้เอาวิธีการอันนี้มาเผยแก่มาสั่งสอนให้แก่พวกเรา พวกเราจึงควรปฏิบัติตามเริ่มต้นที่ทานคือการให้การแบ่งปันการเสียสละอย่าหวงกับทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองที่เรามีมากจนเกินไปตายไปเราเอาไปไม่ได้เราเอามาทำทานแล้วก็เหมือนกับเอาเงินทองเหล่านี้ไปฝากไว้ในธนาคารของพพหน้าชาติหน้า ไปเหมือนกับเราซื้อของเราผ่อนเราไปผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนข้าวของต่างๆแต่ของนี้เราไม่รับในชาตินี้เรารอรับชาติหน้าชาติหน้าละเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์มีเครื่องใช้ไม่สอยมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองมากมาย ตามกำลังของฐานที่เราทำไว้ถ้าเราไม่ทำฐานเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะกลับมาเกิดแบบไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องมาหาใหม่ต้องมาดิ้นรนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในการทำมาหากินหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ผู้ที่กลับมาเกิดบนกองเงินกองทองเช่นกลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกมะลูกของพระเจ้าแผ่นดินอย่างพระพุทธเจ้าในภพชาติที่ก่อนจะมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ได้เป็นพระเวชสัรดอนทำทานอย่างโชคโชนไม่คำนึง ไม่เสียดายไม่กลัวอดอยากทำแล้วพอตายไปก็ได้ไปเปิดเป็นเทวดาพอหมดจากเทวดาก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธรรัตถมีทรัพย์สมบัติมากมายเช่นมีประสาทสามฤดูมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายตลอดเวลามีนางสนม กำนันมาคอยปนเปืปนนิบัติให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนี้คืออา น, นิสงส์ของการทำทานทำทานแล้วเ <c oughs> วลากลรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่อดอยากขาดแครนจะมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกของคนร่ำคนรวยอยากได้อะไรก็ได้เลยไม่ต้องไป ลินรนไม่ต้องไปหาให้เหนื่อยยากเพราะในอดีตชาติได้เอาบุญเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองฝากไว้ในธนาคารบุญนี้เองพอมาเกิดเป็นมนุษย์บุญนี้ก็จะส่งให้มาเกิดเป็นลูกของคนร่ำคนรวยค น, คนของคนมั่งมีของคนที่มีฐานะที่สูงส่ง นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการทําทานของพวกเราฉันั้นอย่าไปคิดว่าการให้นี้เป็นการขาดทุนการให้นี้แหละเป็นการกําไรการไม่ให้นี้แหละเป็นการขาดทุนเพราะตายไปจะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แล้วก็ไม่มีอะไรรออยู่ข้างหน้าแต่การทําทานนี่แหละ เป็นการเอาสมบัติของเราติดตัวไปกับเราด้วยการส่งผ่านทางธนาคารบุญเหมือนกับสมัยนี้เราสามารถส่งเงินผ่านทางธนาคารไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้เราโอนเงินจากเมืองไทยไปที่เมืองนอกได้พอเราไปเราก็ไม่ต้องขนเงินไปกับเรา ไปถึงเมืองนอกเราก็ไปเบิกที่ธนาคารได้เลยอันนี้คือเรื่องของทานไม่ได้เป็นการสูญเสียแต่เป็นการสะสมทรัพย์ที่ฉลาดของนักปราศเพราะนักปราศนี้รู้ว่าภพนี้เป็นเพียงภพชั่วคราวตายไปแล้วไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยถ้าอยากจะเอาอะไรไปก็ต้องโอนไปผ่านทางธนาคารบุญ ผ่านการทำทานนี่เองดังนั้นขอให้พวกเราคิดว่าทุกครั้งที่เรามาทำทานทำบุญให้ทานไม่ว่าจะทากับวัดก็ดีทำกับบุคคลทั่วไปก็ดีทำกับโงรงพยาบาลทำกับโรงเรียนทำกับองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ดีก็ถือให้คิดว่าเรากำลังเอาเงินไปที่ธนาคาร เอาไปฝากเอาไปโอนเงินไปไว้อีกธนาคารหนึ่งคือธนาคารของพหน้าชาติหน้านี้เองนี่คือเรื่องของฐานที่เราควรจะต้องทำกันให้มากๆอย่าไปเสียดายเก็บไว้เท่าที่จาเป็นพอเลี้ยงดูปากท้องชีวิตของเราได้ก็พอส่วนศีลนี้เราก็ต้องรักษาให้ได้ทั้งห้าข้อถ้าเราไม่อยากจะไป เกิดในอบายการไม่รักษาศีลนี่แลเป็นเหตุที่ทําให้ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกแต่ถ้าเรารักษาศีลได้ทั้งห้าข้อตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ได้ทำทานก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้ารักษาศีลได้ ถ้าทำทานก็ไปรับรางวาัลก่อนไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ก่อนแล้วพอหมดบุญของของเทพแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาสร้างบุญบารมีใหม่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้กลับมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วก็มา สร้างบุญใหม่สร้างบุญที่สูงขึ้นไปกว่าที่เคยได้สร้างไว้พบก่อนเคยได้สร้างถึงขั้นเป็นเทวดาได้ได้เป็นพรหมได้ใจที่สงบมีสมาธิพอพบนี้ก็เลยออกบวชได้อย่างง่ายดายพอถึงเวลาพร้อมที่จะออกบวชก็ออกบวชรักษาศีลได้อย่างง่ายดายนั่งสมาธิทาจิตใจให้สงบได้อย่างง่ายดาย แต่ยังไม่มีปัญญาเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่สั่งสอนจึงจำเป็นต้องค้นคว้าหาปัญญาด้วยตนเองหาสัจธรรมความจริงหากุญแจที่จะไขประตูให้เข้าสู่พระนิพพานให้เข้าสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดของความทุกข์ทั้งละของการดับทุกข์ทั้งหลาย ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือพระอริยสัจสีนี่เองจะต้องเห็นว่าทุกขความทุกใจนี่เกิดจากความอยากคืออยากในการกามารตัญหาอยากมีอยากเป็นภวะตัญหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตัญหาและเครื่องมือที่จะละตัญหาทั้งสามนี้ได้ก็คือมรรคมรรคก็คือ ทานศีลภาวนาที่ได้บำเพ็ญมานี้เองเพียงแต่ขาดวิปัสสนาภาวนาได้ทำทานแล้วได้รักษาศีลแล้วได้สมะถะภาวนาทําใจให้สงบแล้วแต่ไม่มีวิปัสสนาคือมองไม่เห็นอริยรรสัจสีมองไม่เห็นอนิจจทุกขังอนัตตาคือดายลักหลังจากที่ทรงไข้ควรพิจารณา ดูทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดก็เห็นได้เห็นได้ข้อสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วต้องมีดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างทำมาจากดินน้ำลงฝฟเป็นเหมือนฝนตกเหมือนเหมือนฝนฟ้าอากาศที่ไม่มีใครสามารถไป ควบควบคุมบังคับสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไม่สามารถยึดไว้เป็นสมบัติของตนได้ถ้าอยากให้เป็นสมบัติของตนอยากให้อยู่กับตนอยากไม่ให้เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจที่เกิดจากตั้นหาความอยากทั้งสามนี้เองแต่พอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงดินน้ำลงไฟ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครไปยับยั้งได้ก็จะไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้ก็จะดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจที่เกิดจากการมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาได้ไปอย่างหมดสิ้นก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้บรรลุถึงพระนิพพาน สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเกิดจากปัญญานี้เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญก็ต้องอาศัยการศึกษาด้วยตนเองแต่ผู้ที่จะสามารถเห็นอริยสัจสีเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาได้ด้วยตนเองนี้จะต้องเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้น พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีขั้นต่างๆมาอย่างโชคชนทุกภพกทุกชาติถึงจะสามารถมีปัญญาเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตได้เช่นเจ้าชายสิทธัตถะของพวกเราที่สามารถบรรลุตับสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยพระองค์เองสำหรับพวกเรานี้ ไม่มีวันที่จะสามารถเป็นไปได้เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าคอยสอนแล้วคอยนําทางแล้วพวกเรายังทําไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรเวลาไม่มีคนบอกทางเราจะหาทางออกได้อย่างไรขนาดมีคนบอกทางยังไม่ยอมเดินตามเลยยังสู้ความขี้เกียจไม่ได้ยังสู้ความหลงที่ยังอยากจะพัฒนา ลาบยศสลรเสริญพัฒนาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังวิธธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาพร้อมที่จะปฏิบัติตามพร้อมที่จะสละการพัฒนาลาบยศสลรเสริญสุขแล้วหันมาพัฒนาพบชาพบท พัฒนาชีวิตจิตใจด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าภายในภพนี้ชาตินี้พวกเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราจะได้พัฒนาชีวิตจิตใจของเรา ให้ขึนให้ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานได้เลยเพราะมีผู้ที่ได้มีศรัทธาน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันเป็นจำนวนมากมีตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลมาจนถึงสมัยนี้ดังนั้นมรรคผลนิพพานจึงไม่ได้สูญหายไปไหน ไม่ได้สูญหายไปกับพระพุทธเจ้ามากผลนิพพานนี้อยู่ที่ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ชอบแล้วนี้เองคือผู้ใดสามารถน้อมเอาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติปฏิบัติสุปฏิปันโนโอชุปฏิปันโ น, ปป น, โนยายะปฏิปันโนสามีจิ ป, ปฏิปันโนแล้วผู้นั้นก็จะได้กลายเป็น อริยบุคคลขั้นต่างๆมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองพระสกิดาคามีขั้นที่สามพระอนาคามีและขั้นที่สี่คือพระอาหารหันต์พระอริยบุคคลทั้งสี่ขัน้นนี้ไม่ได้เกิดจากที่ไหนเกิดจากสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโน สามีจิปฏิปนโนนี่เองดังนั้นขอให้พวกเราอย่าลังเลสงสัยอย่าถูกคนอื่นหลอกให้คิดว่าไม่มีมรรคผลนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วไม่มีใครสามารถปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้แล้วอันนี้เป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราไปเชื่อไปมีความเห็นอย่างนี้ เราก็จะไม่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติพอเราไม่ปฏิบัติมรรคผลนิพพานก็เลยไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เชื่อความเห็นอย่างนี้เราเชื่อว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่อยู่ที่การปฏิบัติของเหล่านี้เองปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าพอเรานำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วอย่างที่พระเจ้าได้สรงพยากรณ์ไว้ลว่า ถ้าช้าก็เพียงเจ็ดปีถ้าเร็วก็ภายในเจ็ดวันก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ได้อย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในการปฏิบัติว่าจะเป็นเหตุที่จะทาให้เกิดมรรคผลนิพพานตามมาอย่างแน่นอนถ้าเราเชื่อแล้วเรานำไปปฏิบัติ เราก็จะได้บรรลุมากผลนิพพานต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบังเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ